ขันหาเป็นที่ตั้งของมรกของผลของพระนิพพานมารวมมณีมดที่จะได้มรกได้ผลพระนิพพานก็มาตั้งในขันหานีแล้วจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์กมาตั้งขันหาถ้าไม่มีขันหาแล้วมันทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ตั้งขันหาลงแล้วนั้น ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำสมาธิก็ใดฌานสมาธิสมบัติรเรือ่อยจะเจริญในปัจจณาลงขันหานี่ทั้งนั้นนอกจากขันหานั้นมีอะไรทั้งหมดทำทั้งหลายที่ท่านเทศนาไว้มากมายก็รู้ว่านแต่ออกมาจากขันหานทั้งหมด ขันหาคือรูปกับนามรูปประขันรูปที่เห็นนเรืตาแล้วนี่แหละนามได้แก่เวทนาความทุกข์ความเจ็บความปวดหรือความสุขสบายกายสบายจิตหรือความเฉยเฉยเรียกว่าอุปเปขา แค่ได้จริงก็ความสุขนั่นแหละความสุขอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าอุเบกขาเนี่มันเรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจดจำสิ่งที่ได้พบได้ผ่านได้ประสบพบผ่านมาจดจำไปโน้มนานแสนนานบางทีได้ไม่รู้สึกตัว เรโผล่ขึ้นมาที่เรียกอธีตาสยานอนาคตยานอนธีตาสยานนะั่นคือหมายความว่ระลึกชาติผนหลังเก่าได้นั้นคือว่าสัญญาเก่าแก่แต่หลายพบหลายชาติมาแล้วยังจิตตามตัวของเราอยู่อธีตาสยานอน า, อนาคอาคตยานนะั่นคืออนาคต ความรู้ในอนาคตว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะมีขึ้นในข้างหน้าวันหน้านั่นเป็นสังขารความปรุงมันแต่งขึ้นมาในตัวมาในเวทนามเรียกว่าสัญญาความจดจําได้สังขารความปรุงความแต่งในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ปรุงแต่งคิดจะทําการทํางาน ประกอบอาชีพด้วยสิ่งต่างๆประดิษฐ์คิดขึ้นมาแล้วก็ทำตามเรียกว่าสังขารถึงไม่ทำตามมันคิดนึกมันปรุงมันแต่งก็งนั่นะมันในตัวสังขารสังขารนี่มันแต่งกระทั่งให้เกิดพบเกิดชาติโดยที่เราไม่ตั้งใจสังขารนั้นลึกซึ้งที่สุด แต่งให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาก็ได้ถ้ายังมีแต่งจะตราบใดได้เด็กยังไงพ้นจากพบจากชาติตรานั้นเรามาเกิดไม่ได้คิดนึกว่าจะมาเกิดแต่มาปรุงมาแต่งเอาเองยังได้มาเกิดวิญญาณคือความรู้สึกตัวความรู้สึกคันแรกพอพระจก ตาผสมกบลูกเห็นขึ้นมาเรียกว่าเห็นเพราะเห็นเธอรู้สึกว่าเห็นเท่านั้นหายไปสัญญาณตัวนั้นไอ้วิญญาตานั้นแล้วก็สัญญาเข้ามาแทนที่สังขารเข้ามาปรุงว่าแต่งแทนที่เลื่อยไปแล้ววิญญาคือมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นนะไม่ทราบว่าดีว่าชั่วว่าหยาว่าละเอียดอะไรแล้วถ้าหนุบมาเปรียบเหมือนกับ คนไปดูทองคําคนที่เห็นว่าทองคํำเท่านั้นแหละแต่ไม่รู้จักว่าทองคําน้ําเท่าไหร่ไม่ทราบว่าเขาสิบเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นตน์ก็ไม่ทราบอ่ะเฮ้ยเส้นเป็นทองเก๊ก็ไม่ทราบแต่ว่าเข้าใจว่าทองนั่นแะเรียกว่ากินญยาดไอเรียกว่า วิญญาณวิญญาณในสังขารแต่วิญญาณอีกในหนึ่งซึ่งลึกซึ่งเข้าไปกว่านั้นอีกอามวลเอาหมดทั้งขันหาแลนะ้วเอาไว้ในพร้อมหมดคือวิญญาณวิธีทนที่อมวลเอารูปอเอาเวทนาสัญญาสังขารในหมดในนั้นหมดเลย คือมันไม่ประมวลเอามันก็ไม่ได้มาเกิดมาเป็นคนนะสิประมวลเอารวมเข้ามาในที่เดียวนั้นหมดจึงได้มาเกิดมาเป็นคนอันนั้นในตัววิญญาณปฏิสนธิวิญญาณท่านอุปมารูปไว้คาเนว่าทึงรูปก่อนรูปแปลว่าสลายแปลว่า มีอันแสบวนไปธรรม j a จะต้องแตกต้องสลายอันเรียกว่าลูปลูปก็คือลบลนันแหละมาจากลบลนันแหละในคำบาลีเทนว่าอาอุเป็นโอเอาโอเป็นอวะแต่ว่าลบทําเหมือ น, น เ, ขเขาเขียนกระดานดำเขียนแล้วต้องลบเขนนั่นเหมือนกัน รูปเกิดขึ้นมาต้องดับศูนย์มีอันดับศูนย์นเป็นธรรมดาไม่เที่ยงมันทาวร อ, อันนั้นเรียกว่ารูปมันดับนั้นศูนย์ไปทุกวันทุกวันมันแปรปรวนไปทุกวันลูปเกิดขึ้นมาแล้วนันนี่อันแปรปรวนไปโดยประการต่างๆอย่างนั้น เวทนาเกิดจากนี้แหละเกิดจากรูปไปเสียก่อนนะเจ็บปวดเมื่อยน่นนี่แข่งขาภวยวะทุกสิ้นทุกส่วนมันก่อที่รูปนี่ทั้งนั้นถ้ามีรูปมันก็ไม่มีเจ็บม่ปวดอะไรหรอกรูปจึงเป็นบอกเกิดของเวทนา เป็นบอ่อเกิดของไม่ความไม่สบายเป็นบอ่อเกิดของเจ็บขอ ง, ของการเจ็บการป่วยผู้ซึ่งได้รูปมาแล้วจำเป็นจะต้องพยาบาลรักษาดังเคยอธิบายฟังว่ารูปนั่นน่ะมันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่จะต้องอธิบาย ที่เรียกว่าจตุสักจักกังนาวัตวารังจตุจักกังนั่นแปลว่าจักสี่คือยาบทสี่นั่นเองเยืนเดินนั่งนอนจักทั้งสี่นี่ต้องหมุนเวียนอ ย, อย่างนั้นต้องทอําอย่างทํางานอ ย, อย่างนั้นนาวัตวารังมีทวานเก้า ตาสองหูสองจมูกนันหนึ่งจมูกสองปากนั่นหนึ่งถวาวรหนักวาวรเบารวมกันไปเป็นเก้าสิ่งทั้งหลายเรื่อนี้นั่นอุคลันตังบุคลันตังไหลออกไหลเข่าอยู่ตลอดเวลาคืออย่างตา่างสิอย่างตา่างนี่แหละ มันไหลเข้ามาก็คือรูปมันเองไหลเข้ามาแล้วก็ดับลงไปเสียงกลิ่นรสโปรในในจมูกวิ่งกายเหมือนกันทวานปากเที่ยวกระนั่งตังกระนั่งตังมันไหลเข่าไหลออกคือปากของคนเรานะมันต้องไม่มีที่เข่าหรอกไม่มีทั้งอื่นนอกจากปากแล้ว ไหลเข้าไปทุกวันทุกคืนไหลเข้าไปไม่อันใดก็อันหนึ่งนะเช่นข้าวน้ำอาหารการจินทุกชิน้นทุกส่วนต้องเข้าไปช่องนี้ทางนั้นแล้วไหลออกไปถาวรทางทวาวนรหนักเหมือนเหมือนมีนกัร ไอ้น้ำในทะเลหรือเหมือนกันน้ำในแม่คงเขาทิ้งอะไรล ง, งบนนี่จอมมันก็ไหลลงไปพุดดป่นซิปลงไปข้างล่างท่านจะมาอุคา่ารัต่างๆประาต่างๆไหลออกไหลไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ไหลออ ก, ออกมันก็ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาอีกอ่ะถ้าไม่ไหลเข้าก็ทุกขเวทนาก็ ภพาพนอีกแล้วมัต้องไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นล้ำไปแล้วเป็นตัวของใครละกันอย่า ง, งอของไหลออกไหลเข้าเนี่ยนะมันหลายอยู่ในอย่างนั้นอยู่ล้ำไปเป็นของใครเป็นตัวของใครละกันไม่ทราบว่าตัวของใครไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นมันหลายอย่างหลายเรื่องลูก จะอธิบายมากอะไรก็เกินจึงว่ามันมีครบมดในที่นั้นแต่พิจารณาให้เป็นนิพัสนามันก็ถูกแต่พิจารณาเป็นสมถะก็ได้คือพิจารณาเป็นสมถะนั้นพิจารณารวมมือที่นี่ให้กำหนดออกกายนี่เป็นอารมณ์มาให้ออกจากกาย จิตมันจะสงบไปที่กายเหมือนกันรวมกับที่กายทนั้นที่มันไม่ไปที่อื่นอยู่ด้วยความสงบพิารณวิปัสสนามันก่ออาการที่แยกออกไปโดยประการต่างๆเห็นไม่ใช่ตนใช่ตัวเป็นแต่สาัากว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไหลเข้าไหลออกอย่อย่างนั้นมันเรียกวิปัสสนา มันเห็นแจ้งไปจากกังนงั้นเนี่ยเห็นชัดยใจจริงๆริทางภายนอกก็เห็นภายในก็เห็นภายนอกเราดูก็เห็นอย่างนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นภายในก็ชัดเจนวมาเรียกถึงลูกเรียกว่าลูกเป็นบอ่อเกิดของเวทนาทางขวงมดต้องเกิดจากลูกนี่เป็นต้นเหต เมือ่อลูกเจ็บปวดเมือ่อลูกไม่สบายมันก ร, กระทบกระเทือนทั้งใจเพอใจผู้ครองเราอยู่บ้านอยู่เรือนมันรั่วมันฝนตกมันรั่ว ม, มันก็ต้องเปียกทั้งสิงของหรือตัวของตนของคนนั้น อ, อ, อยู่ไหนกันสิเห็นนั้นจรงว่ากายนี่จริงาเป็นบ่อเ ก, กิดของเวทนาเวทนาคราวนี้ มาลีชิลูปมาสัญญาไปเวทนาพระประรูปรมาท่านอุปมาเปรียบเหมือนเวทนานะเปรียบเหมือนขึ้นกระทบฝังขึ้นนะเป็นลูกมากระทบฝังแล้วกหายสลายไปเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาความสุขก็ดีทุกข์ก็ดี มันเกิดก็มาไปเยปะาะพราดก็หายไปไปเยปะาะพราดก็หายไปอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ของของใครทั้งหมดสุขทุกข์ก็ขึ้มาอยู่ในโลกอันนี้มันหายไปสาบไปตั้งอยู่ไหนมันมาไม่สาบมาจากไหนพ่อแม่พี่น้องญางติวงศ์ตระกูลของมันอยู่ไหนก็มนไม่ทราบเวทนา มันมากระทบด้วยใจนี่แหละไปยึดเอากระทบแล้วใจนี่ไปยึดไปยึดก็เลยเกิดเวทนาขึ้นมาถ้าจะอยู่นานก็เพราะยึดนานถ้าอยู่ไม่นานก็เพราะยึดไม่นานปล่อยทิ้งไปเมือ่อเมื่อไม่เกิดมันเกิดมันมันกระทบเพไม่ยึดมันก็หมดเรื่องกันไป นั้นเรียกว่าไม่เกิดขึ้นเวทนาเปียบมันกะขึ้นกระทบฝั่งสัญญาเปรียบเหมือนกัพไยับแดดนาฬิกลูประมาณสัญญาแล้วมองดูแดดไกลๆเวลาแดดมันรอนะ้อนมัะเป็น ย, ย, ย, ย, ยิบยิบยิบยิบเป็นตนเป็นตัว รูปล่างเวลาเดินเข้าไปไกลๆหายหมดเดินเ้ไปไกลมันไปอยู่โน่นข้างหน้ามันยิบยับยิบยับยับอย่างนั้นสัญญาคือเราไปจดจําหน้า น, นี้ต่างๆไม่มีตนมีตัวสิ่งนั้นไปจําอยู่ที่ใจของเราที่ต่างหากของนั้นไม่มีหรอก ยิงว่าเป็นเหมือนกับมีไม่มีเหมือนกับมีถ้าใจเราไปยึดถ้าใจเราไปไม่ไปตกไปแต่งมันก็ไม่มีอะไรความจำก็ไม่มีอะไรจำว่านั้นวัานี่ว่าดีวิเศษวิศวงงั้นอย่างนี้ว่ามาหญิงว่าใช้เอาผัวกับค น, นอะไรตา่างๆไปยึดต่างหา่างแต่แท้จริงไม่มีอะไร จึงว่ามันยากคนเราถ้ามีสัญญาอยู่ตราบใดก็ต้องรักษาอยู่ตราบนักซึ่งจะให้มันติดเมื่อไม่มติดมันก็ไม่มีทำยังไงมันจะไม่ติดมันปลากฏุึงมันเห็นอยู่อย่างนั้นอันสิ่งที่ไม่ติดมันสำคัญตรงนั้นท่านเปรียบเหมือนกับใยยับแดด ญญวิญญาณน่ะมาอยู่ประวิญญาณดังวิญญาณนี่ยเป็นมาอย่างหลอกลวงด้วยประการต่างๆอย่างที่อธิบายฟังแล้ววิญญาณในทัน้งขาลู่ทั้งตาลู้แล้วก็หายวับไปรู้ทั้งหูทั้งจมูกดินร่ากายลู่ขึ้นมาแล้วหายไป สิ่งอื่นมาแทนคือสัญญาสังขารมาแทนจิตวิญญาณนั้นรู้แล้วก็หายไปหายไปไม่ทราบไปอยู่ไหนนั้นโผล่น้นโผล่นี้ปรากฏน้นปรากฏนี้ตัววิญญาณนั้นนั่นหลอกลวงให้ดิ้นรลนรุ่มหลงไปตามแต่ตัวมันก็เป็นตัวตัวของมันไม่เป็นตัวตนของตนอะไรสักอย่างเดียว ตาโกผงแล้วก็หายไปนี่แหละขันหาอยู่ในนิมดตธรรมะทางพวงนอกเหนือจากขันหาแล้วไม่มีอะไรธรรมะพิจนาขันหานี่แหละให้มันเห็นตามเป็นจริงขันหาน เ, เกิดมาได้ขันหา เราไม่รู้เรื่องของขันหะมันยังคล่องในขันหะจึงไปไม่พ้นจากขันหะตายแล้วเกิดตายจะเกิดใน่างไรขันหะพระพุทธเจ้าท่านรู้ขันหะพระพุทธเจ้าสอนในเห็นขันหะให้รู้เรื่องของขันหะหน้าที่ของรูกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น หน้าที่ของเวทนาสัญญาสังขารนิยานเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหน้าที่ของมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งหมดท่านสอนให้รู้จักให้รู้เรื่องไม่ใช่สอนให้เอาเอามาเป็นตนเป็นตัวไม่ได้มันยึดมือถือเป็นของเราไม่ได้เป็นสักแต่ว่าขัน พิจารณาเธอพิจารณาไปตลอดชีวิตชีวามันเข้าไม่หมดสักทีมันจะเกิดมีอยู่ในนั้นเนะ่ะหมดจากอันนี้ไปเกิดเร่องอื่นหมดจากเรื่องอื่นไปเกิดอรื่องอื่นลองคิดดูวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่ในที่เดียวนั่นแนะแต่มันไปร้อยแปดทันประกาศเรื่องมันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อะไร เรื่องทั้งหลายทั้นั้นพอหมดเรื่องแล้ววันแล้ว้วันแล้วคืนไปทั้งนั้ น, นสิ่งครัวพันทั้งหลายมดทางพวงมาเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเราที่เรียกว่าขันหา้า คันหาก็เป็นอนิจจังคันหาก็เป็นทุกครังอนัตตาอย่างอธิบายมาเ น, นี่กว่ากันหารวมเหมือนที่เดียวมดเราได้คันหาได้ที่ว่าได้ของประเสริฐสูงสุดเราเป็นมนุษย์นี่มีคันหานดีวิเศษแล้วแต่หากว่าเราไม่มีปัญญาที่จะนาคันหาจึงไม่เป็นประโยชน์ มีปัญญาพิจารณาดังอธิบายมานี่คันหาจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จมงคลนิพพานก็เพ่อขันหาพระพุท ธ, เ, ทธเจ้าก็โงงได้คันหาสาวกหลายก็ได้ขันหาท่านจึงเอาคันหาพิจารณาจนให้สํเาเร็จมงคลนิพพานสูงที่สุดก็อยู่ในขันหานท่า น, นถ้าตามที่สุดเป็นโจรเมยขโมย ที่ชอจิตคงก็อยู่ในขันหาเนี่ยงนั้นขันหาจะไม่ได้อีกขันหาคือมนุษย์ของเราจะไม่ได้อีกจะตามลงไปเร็วไปตัวนี้อีกเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านเปรอสุรกายขันหาถ้าตามเร็วสั่งไปตัวนี้ถ้าทําดีคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีฌานสมาธิสม บ, บัติ จนกระทั่งถึงเมื่อผลได้ผ่านก็ออกไปจากกันหารนี้มีกัญหารนี้ทั้งนั้นเอาละอธิบายเป็นแบบนี้